ประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติลดเลิกละยึดคำพระพุทธองค์ผู้ทรงศีลน้อมจิตใจใฝ่ฝธรรมเสริมบารมีเป็นความดีแก่ตัวเพิ่มมงคลมงคลที่16ธรรมจริยาจะความประพฤติเป็นธรรม ความประพฤติเป็นธรรมคือความประพฤติสุดจริตจะประกอบกิจการอย่างใดทางกายวาจาหรือใจก็ให้เป็นสุดจริตไม่ผิดธรรมปราศจากความเบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางกายวาจาแม้แต่ทางใจก็ไม่มีเจตนาเกิดขึ้นเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตและความสุขเบียดเบียนทรัพ์สมบัติเบียดเบียนประเวณี มีกาลยานธรรมประจำที่คือมีเมตตากรุณาเห็นสุขทุกข์ของผู้อื่นประกอบการเลี้ยงชีพเป็นสัมมาอาชีวะยินดีเฉพาะแต่ในคู่ครองของตนนี้เป็นส่วนกายเว้นจากการกล่าวเทศกล่าวสอเสียดยุยงเขาพูดเหลวไหลไม่ได้ประโยชน์รักษาวาจาให้เป็นหลักฐานที่เชื่อฟังได้ชักนำบุคคลในทางสามัคคี มีวาจาอ่อนหวานน่าคบหาเป็นสหายจะ ก, กล่าวคำใดก็ประกอบด้วยเหตุผลไม่ไร้ประโยชน์นี้เป็นส่วนวาจาส่วนจิตไม่คิดโลภรู้จักพอด้วยของของตนที่มีอยู่ไม่ตรณีพอจะเผื่อแผ่แก่คนอื่นได้แต่ก็ไม่สุรุยสุร้ายนักไม่พยาบาทปองร้ายมีใจเย็นแช่มชื่นด้วยเมตตาการุณา รู้จักอดรู้จักยัง้งไม่พลุนพลันดำเนินตนในทางที่เกิดปัญญามีปรีชารู้เท่าถึงการชอบแก่เหตุผลในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดจะเป็นความดีแก่มนุษย์ยิ่งกว่ากิริยาวาจาและใจที่ตั้งอยู่ในธรมรมจริยาซึ่งเป็นการประพฤติความดีความถูกหรือทำดีทำถูก แนวปฏิบัติในการประพฤติธรรมนั้นมีอยู่สองสถานคือประพฤติเป็นยุติธรรมและประพฤติเป็นสุดจริตธรรมประพฤติเป็นยุติธรรมคือยึดหลักถือหลักรักษาหลักที่เที่ยงตรงและแน่นอนประกอบด้วยความสัตย์ความเที่ยงธรรมและความอย่างรู้นี่เรียกว่าความยุติธรรมคนผู้ยึดถือหลักเที่ยงตรง แน่นอนถูกชอบสมควรสงวนสิทธิ์คืออำนาจที่ชอบทมในส่วนควรได้ควรมีควรเป็นของมนุษย์ทําให้ผู้ได้ผู้มีผู้เป็นเต็มใจเห็นเป็นส่วนเสมอภาคทั่วหน้ากันสมควรแก่ส่วนควรได้ควรมีควรเป็นโดยปราศจากอาการเหลื่อมล้ำต่ําสูงไม่เป็นเหตุก่อให้เกิดน้อยเนื้อต่ําใจ หรืออับอายขายหน้าแก่กันและกันเช่นนี้นี่แหละคือผู้ประพฤติเป็นยุติธรรมประพฤติเป็นสุจริตธรรมนั้นหมายถึงการประพฤติเป็นกุศลกรรมบทอันเป็นที่รวมแห่งความดีมีจุดสำคัญอยู่ที่การเว้นพูดชั่วคิดชั่วทำชั่วและพูดดีคิดดีทำดี ประพฤติสุจริตธรรมนั้นมีลักษณะปรากฏอยู่ที่ตัวของผู้ประพฤติเองเช่นประพฤติเป็นสุจริตในบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยการปฏิบัติชอบต่อการประพฤติเป็นสุจริตในการอาชีพเว้นการเลี้ยงชีพในทางทุจริตขยันหมั่นหาเลี้ยงชีพในทางสุจริตถูกต้องประพฤติสุจริตในหน้าที่ทำงานในหน้าที่ใดก็ถือหน้าที่นั้นเป็นสำคัญ ทำการงานให้สำเร็จผลเป็นอันดีผู้ปฏิบัติตนเช่นนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมย่อมที่จะชักพาตนให้ถึงความเจริญพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นมงคลอีกประการหนึ่งชวนเหล่าใดประพฤติ ธ, ธรรมในธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวดีแล้วชวนเหล่านั้นจะข้ามแดนมฤตยู่ที่ข้ามได้ยาก ญาติพี่น้องหญิงชายที่มีอยู่ควรตรวจดูให้ทั่วทั้งไกลใกล้ตามสงเคราะห์ช่วยเหลือด้วยน้ำใจผูกสายใย ห, หมู่ญาติเสริมมงคลมงคลที่สิบเจ็ดญาตกานันจะสังขโห การสงเคราะห์ญาติธรรมดาบุคคลมีหน้าที่จะต้องเกี่ยวข้องกันโดยญาติบ้างโดยมิตรบ้างโดยที่เป็นพวกเดียวกันบ้างแต่ญาติย่อมมีไมตรีสนิทผิดกว่าคนอื่นผู้ดูหมิ่นญาติท่านกล่าวว่าเป็นผู้ดูหมิ่นตัวของตัวเองด้วยเพราะนับเนื่องอยู่ในวงเดียวกันญาติมีสองประเภทคือญาติทางสายโลหิต และญาติทางสายธรรมญาติทางสายโลหิตคือคนที่เรารู้จักกันได้ว่าเป็นเชื้อสายหรือเหล่าก่อเดียวกันกับเราญาติทางสายธรรมคือคนที่เรารู้จักมักคุณซึ่งเกิดแต่การคุ้นเคยสนิทสนมระหว่างเรากับเขาโดยตรงบ้างเกิดแต่ความสนิทกับญาติทางสายโลหิตของเราบ้าง ชนผู้ไม่เอื้อเฟื้อแก่ญาติไม่ได้ญาติไว้เป็นกําลังก็เป็นประดุจต้นไม้อันตั้งอยู่โดดเดียวเมื่อไม่มีกําลังพอที่จะทานพายุพัดได้ก็มีทางที่จะพิบัติหักโคน่นลงได้ง่ายได้ชนผู้เอาใจใส่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่หมูญาติได้ญาติไว้เป็นกําลังก็เป็นประดุลไม้อันตั้งอยู่ในหมู่ ต่างต้นก็ช่วยการต้านทานกําลังลมแบ่งเบาประทังให้ตั้งมั่นอยู่ได้เหตุนั้นผู้ที่นับว่าเป็นญาติถึงแม้จะต่ำต้อยน้อยทรัพประการใดก็ควรที่ผู้เป็นญาติจะพึงสงเคราะยึดเหนี่ยวน้ำใจกันไว้ตามสมควรตามคราวที่เขาต้องการการสงเคราะญาตคืออุบายเกาะเกียวยึดเหนี่ยวน้ำใจ ญ, ญาต ให้เข้ารวมกลุ่มร่วมรักเคารพนับถือกันวิธีสงเคราะห์ญาตินั้นท่านวางหลักไว้กว้า ง, างในที่นี้หมายเอาการสงเคราะห์ญาติด้วยญาติติดธรรมคือการแสดงกิริยาวาจาสุภาพต่อกันประพฤติตนสม่ำเสมอยกย่องเชิดชูกันและเอื้อเฟื้อเชื่อฟังกันมีอยู่สี่ประการได้แก่ แสดงกิริยาวาจาสุภาพต่อกันเพื่อให้ความรักและเคารพนับถือเข้าสิงอยู่ในใจของหมู่ญาติจึงควรแสดงกิริยาวาจาสุภาพต่อญาติให้สมกับฐานะระมัดระวังกิริยาให้สงบสงี่ยมเจียมตัวอบอ้อมอารีกรุณาปราณีอ่อนลมุนต่อญาติผู้ใหญ่ผู้เสมอกันและผู้น้อย การพูดจา ก, กันในระหว่างญาตินั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งควรจะต้องระมัดระวังให้มากพูดแต่ถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานไม่พูดถ้อยคำอันยั่วยุให้ญาติต้องเจ็บช้ำน้ำใจประพฤตินตนให้สม่ำเสมอคือวางตัวให้สมกับฐานะหรือสภาพของตนเคารพต่อผู้ใหญ่เอ็นดูต่อผู้น้อยยกย่องเชิดชูกัน โดยการมองกันในแง่ดีประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและช่วยส่งเสริมความดีของกันและกันเอเื้อเฟื้อเชื่อฟังกันผู้ใหญ่มีหน้าที่เอื้อเฟื้อต่อผู้น้อยแม้ผู้น้อยก็มีหน้าที่เชื่อฟังผู้ใหญ่ชนผู้บำเพ็ญย่าติธรรมดังกล่าวได้ชื่อว่าเป็นผู้บำรุงกำลังเครื่องตั้งมั่นแห่งตน เป็นบุคคลมีที่พึ่งพิงไม่อ้างว้างทั้งห่างจากอันตรายได้ด้วยอาศัยความห้อมล้อมแห่งญาติด้วยเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสการสงเพราะญาติว่าเป็นอุดมมงคลอันสำคัญอีกประการหนึ่งมีญาติพวกพ้องมากย่อมเป็นการดีเหมือนต้นไม้ในป่ามีจำนวนมากแต่ ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ต้นเดียวอย่างโดดเดี่ยวถึงจะงอกงามใหญ่โตสักเท่าใดลมก็พัดให้โค่นลงได้การทำงานมีโทษโปรดได้คิดยาเสพติดจ้างค่าก่อกรรมชั่วจงงดเว้นทุจริตพาเสียตัวไม่เกลือกกล่วนหนีได้เกิดมงคล มงคลที่18อนะวัชานิกรร ม, มานิการงานที่ไม่มีโทษงานที่ทุกคนต้องทำมีสามทางคือกายกรรมงานที่ทำทางกายวจีกรรมงานที่ทำทางวาจามนโนกรรมงานที่ทำทางใจคำว่าโทษหมายถึงความชั่วความไม่ดีความผิดความประทุษร้ายบาปผลร้าย เป็นต้นลักษณะการงานที่ไม่มีโทษคืองานไม่ผิดกฎหมายงานไม่ผิดประเพณีไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมอนาวัชกรรมความทำที่ไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์โดยส่วนเดียวในอธกถานั้นได้จําแนกออกเป็นสี่อย่างได้แก่อุโบสถกรรมวิยาวัชกรรมการปลูกต้นไม้ ส า, สาธารณาสถานการที่บุคคลมีอัธยาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความประพฤติเป็นธรรมทำความสงเคราะห์ญากย่อมเห็นได้ว่าเป็นประโยชน์ย่อมเห็นได้ว่าเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นแต่ก็มีการบางอย่างซึ่งนับเนื่องในความมีอัธยาศัยเผื่อแผ่ซึ่งถ้าไม่บิเคราะห์ให้ซึ้งแล้ว ก็ดูเหมือนว่าการที่ทำนั้นไร้ประโยชน์เช่นการช่วยขนขวายกิจธุระของคนอื่นซึ่งไม่ใช่ญาติและมิตรการช่วยรักษาพยาบาลในเวลาที่เจ็บไข้การช่วยบรรเทาทุกข์ในเวลาที่ประสบอันตรายการปลูกสวนและนาให้เป็นที่พักอาศัยการตัดสร้างถนนสร้างสะพานให้สะดวกแก่การสัญจรของสาธารณาชน เป็นต้นการช่วยขนขวายทุระของผู้อื่นแม้ถึงเขามีช่ยญาติและมิตรก็เป็นกิจอันกาญยาณชนจะพึงทำเพราะนำให้สำเร็จผลอันไพศาลคนคนเดียวจะมีกำลังทำอะไรได้สักเท่าไรถ้ารวมกำลังเข้าได้เป็นร้อยส่วนพันทวีผลก็จะมียิ่งขึ้นไปจนไม่มีที่สุด อันความช่วยขวนขวายแก่กันและกันในเวลาไหนก็ตามไม่สำคัญเท่าเวลาเจ็บไข้หรือการช่วยบรรเทาทุกข์ในเวลาที่ได้ประสบอันตรายทั้งยังเป็นเสมือนเครื่องหมายแห่งความเมตตากรุณาธรรมอย่างแน่นแฟน้นการปลูกสวนและวานาทำสถานที่ให้ร่มรื่นสจะร่างไปด้วยพฤกษาชาติอันผลดดอกออกผล เป็นที่ชวนมหาชนให้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจได้ความสําราญการตัดถนนขุดคลองสร้างสะพานเป็นการให้ความสะดวกแก่การไปมาให้สําเร็จความมุ่งหมายในกิจที่บุคคลต้องประสงค์กว้างขวางขึ้นทั้งชักพาให้ผู้ที่อยู่ต่างถิ่นต่างด้าวได้สมาคมคบหาเป็นมิมตรไมตรีทวีประโยชน์แก่กันและกัน กิจนั้นๆที่กล่าวมาจัดว่าเป็นตัวอย่างแห่งอนัวัชกรรมอนัวัชกรรมนําให้เกิดผลเป็นบุญอยู่เนืองนิดจะต้องด้วยพุทธภาสิทธิ์ที่ว่าบุคคลผู้ปลูกสวนและวนาทําสะพานให้อุทกทานเช่นประปาและบ่อน้ําและให้ที่พักอาศัยบุญย่อมเจริญแก่เขาทั้งกลางวันและกลางคืน บุคคลผู้บำเพ็ญอนณวัชกรรมเมื่อได้แลเห็นกิจที่ตนทำสำเร็จประโยชน์แก่ผู้อื่นย่อมชุ่มชื่นเบิกบานใจได้สมนัส ด, ด้วยรู้สึกว่ากิจที่ตนทำไม่ไร้ผลอนาวัชกรรมการงานที่ไม่มีโทษพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นมงคลสำคัญอีกประการหนึ่งคนที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤต เป็นผู้ประเสริฐสุดทั้งในมนุษย์และเทวดาทั้งหลายทำบุญละบาปได้ชื่นอุราย่อมเกิดสุขหันษาข่ำเช้าดับชีพล่วงลับตาสู่โลกหน้าแฮสมนัดจากเต้าติดต้อยตามสนอง มงคลที่19อารตีวิรตีปาปาการงดเว้นจากบาปอารตีแปลว่างดวิรตีแปลว่าเว้นโดยอัฏฐะต่างกันดังนี้อารตีงดได้แก่ความไม่ยินดีด้วยใจคือไม่เจตนาที่จะทำอันเป็นมูลแห่งวิรตีเข้าด้วยกันจะได้เนื้อความเต็มว่า มีกายวาจาใจบริสุทธิ์พ้นจากบาปครบไตรทวารคำว่าบาปหมายเอาสิ่งที่ชั่วช้าลามกทั่วไปแต่ในที่นี้นั้นหมายถึงกรรมที่ทําให้เศร้าหมองซึ่งเรียกว่ากรรมกิเลสสี่ประการได้แก่ทุจริตทางกายสามคือเบียดเบียนชีวิตพร้อมทรัพสมบัติและประเวณีและทุจริตทางวาจาหนึ่งคือการพูดเท็จ โดยเนื้อแท้ก็คือศีลห้านั่นเองบุคคลผู้เป็นครืหัดควรงดเว้นแท้จากกรรมกิเลสเพราะเมื่อใคร่ครวญดูด้วยน้ำใจอันยุติธรรมแล้วจกแลเห็นได้ว่าชีวิตย่อมเป็นที่รักของคนและสัตว์ทั้งหลายผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่ทุกกล่าวย่อมขวนขวายที่จะหาเลี้ยงชีพและป้องกันหลบหลีกอันตรายซึ่งจักมีมา เมื่อรู้สึกเช่นนี้แล้วน้อมเข้ามาเทียบกับความรู้สึกในชีวิตของตนว่าเป็นอย่างไรก็จะเห็นได้ว่าเช่นเดียวกันแต่นั้นควรให้เกิดเมตตากรุณาด้วยแลเห็นอกราบอกเขาไม่ใช่แต่เพียงชีวิตเท่านั้นแม้ความสุขและอิสรภาพก็เป็นของพึงสงวนเช่นเดียวกันการเบียดเบียนชีวิตตลอดถึงความสุข และอิสรภาพทางพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นบาปแต่เหตุฉนพุทธศาสนิกชนจึงยังทำอยู่บ้างก็มีที่ทำด้วยหน้าที่บังคับเช่นทหารเวลาเข้าสงครามหรือว่าที่ประกอบอาชีพในทางปานาติบาตก็ตามทีทั้งนี้ไม่สู้จะหน้าติเตียนนักเพราะการที่จะงดเว้นถึงเด็ดขาด ดูยังเป็นการสูงกว่าวิสัยของสามัญมนุษย์ปุถุชนแต่ที่เป็นของไม่น่าจะมีก็เช่นยิงนกตกเบ็ดหรือว่าทรกรรมสัตว์เพื่อหาความสุขถ้าจะนึกอุปมาเป็นภาพดูต่างว่าในเวลาที่เราไปด้วยกิจธุระหรือว่าประกอบอาชีพอย่างไรก็ตามมีอสูรยากตนหนึ่งมาพบเข้าวเห็นเราเป็นเครื่องเล่นของเขา และนึกสนุกในการที่จะทำลายชีวิตของเราเราจะรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อนึกเทียบดูเช่นนี้ก็จะเห็นได้ทันทีจึงควรมีเมตตาปราณีต่อผู้ร่วมลักษณะโดยฐานที่มีจิตใจครองด้วยกันส่วนประการอื่นคือเบียดเบียนทรัพย์สมบัติเบียดเบียนประเวณีตลอดถึงการกล่าวเท็จเป็นของที่สุภาพชนรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นทุจริต ผู้ที่จัดว่าเป็นสุภาพแท้ย่อมงดเว้นบาปทั้งปวงย่อมรั่วรถกิริยาวาจาใจให้เศร้าหมองขุนมัวสกปรกโสมมและอำนวยผลเป็นทุกข์เดือดร้อนแก่ผู้ทาส่วนการงดเว้นบาปทั้งปวงนั้นเป็นการชำระ ก, กิริยาวาจาและใจให้บริสุทธิ์สะอาดและอำนวยผลเป็นสุขเย็นสงบแก่ผู้บาเพ็ญด้วยเหตุดังนั้น พระพุทธองค์ทรงตรัสการงดเว้นจากการทำบาปเป็นมงคลความเจริญประการหนึ่งอันเครื่องดองของเมาเหล้ากระแช่เป็นตัวแปรให้งงหลงลืมได้ขืนซ่องเสพน้ำเมาอยู่ร่ำไปจะขาดใจลงอบายไร้มงคล มงคลที่ยีสิบมัชปานาจะสั ญ, ญโมสำรวมจากการดื่มน้ำเมามัชะหมายถึงของเมาทั่วไปทั้งที่เป็นของแห้งและเป็นน้ำเป็นของเสพติดให้โทษสำรวมจากการดื่มน้ำเมาก็คือการรักษาตัวไว้ไม่ให้เป็นาธาตุของยาเสพติดให้โทษเหตุสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งทําให้บุคคลจัดว่าเป็นสุภาพชนสามารถประพฤติทุจริตได้คือเกิดจากการดื่มน้ําเมาเหตุนั้นในศีลห้าจึงห้ามการดื่มสุราเมรัยไว้ด้วยการดื่มน้ําเมานั้นเป็นฐานแห่งความประมาทเป็นเหตุให้ประกอบการทุจริตนอกจากนั้นในสิงคาโลวาทสูตรได้แสดงโทษของการดื่มน้ําเมาไว้6ประการดังนี้ เป็นเหตุให้เสียทรัพย์เป็นเหตุก่อการทะเลาะวิวาทเป็นบ่อเกิดแห่งโรคเป็นเหตุให้เสียชื่อเสียงเป็นเหตุให้ไม่รู้จักอายไม่รู้จักปิดบังความลับเป็นเหตุให้ทอนกำลังปัญญาการดื่มน้ําเมาคือสุราเมรยัยมีโทษตามในที่กล่าวมานี้ผู้มีปัญญาไม่พึงกระทา การเสียทรัพย์เสียไปโดยเหตุที่ไม่เพียงพอที่จะเป็นของหน้าเสียอันว่าทรัพย์นั้นเป็นเครื่องแลกประโยชน์และความสุขแต่การเสียไปโดยดื่มน้ำเมานั้นไม่ใช่แลกประโยชน์และความสุขที่จะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นก็เฉพาะผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจแห่งน้ำเมาแล้วทั้งทรัพย์ที่เสียไปนั้นจักชื่อว่าซื้อโทษอย่างอื่นอีกมาให้แก่ตนประการที่สอง เป็นเหตุก่อการทะเละวิวาทเป็นทางตัดความสามคัคคีแต่บางพวกถือว่าเป็นทางเชื่อมความสามคัคคีก็มีแต่เหตุชนไหนจึงต้องเชื่อมด้วยทางนั้นยังมีทางอื่นซึ่งดีกว่าเป็นอนเนกแม้ในทางทำลายความสามคัคคีบางคนอาจจะแย้งว่าแม้ผู้ไม่เมาก็ทะเละวิวาทกันถึงแตกร้าวมีอยู่มากขอแก้ว่า เหตุที่เกิดขึ้นแก่ผู้ไม่เมามักเกิดขึ้นโดยสมควรและเป็นไปตามวิสัยแห่งปุตชชนแต่ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เมามักเกิดขึ้นโดยที่ไม่น่าจะเป็นประการอื่นๆเห็นกันโดยมากแล้วเว้นแต่ว่าจะไม่วิจารณ์ฝ่ายผู้วิจารณ์ย่อมเล็งเห็นในปัจจุบันนี้มีมหาประเทศที่ได้เล็งเห็นโทษแห่งการดื่มน้ำเมานี้ สู้เสียสละประโยชน์อันเป็นเศรษฐกรรมแห่งประเทศไปไม่น้อยเลยทั้งป้องกันแม้ชนต่างด้าวผู้เข้ามาอยู่ในประเทศไม่ให้ได้ช่องที่จะดื่มเป็นนิทัศนะอันงดงามอยู่ในพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดาทรงยกเว้นจากการดื่มสุราเมลัยว่าเป็นนิจฉศีลสำหรับครืหัด ในมงคลสูตรนี้ทรงยกการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาว่าเป็นรากฐานแห่งความเจริญความสำรวมในที่นี้หมายความว่าเว้นทีเดียวไม่ใช่หมายความว่าทาแต่พอเหมาะพอควรอันเป็นทางพูดแห่งนักแก้ตัวว่าดื่มไม่ถึงเสียสติเหตุนั้นการสำรวมระมัดระวัง งดเลิกการเสพของเมอนเมามีสุราเมีไรเป็นต้นพระพุทธองค์ตรัสเป็นมงคลความเจริญของชีวิตอีกประการหนึ่งคนใดเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงการพนันย่อมล้างผลาญทรัพย์ที่ตนได้แล้วข้อนั้นเป็นเหตุแห่งผู้จิบหายเป็นปากทางแห่งความเสื่อม Thank you.